งเงินทองกับธรรมะเป็นสองสิ่งที่คนเราต้องเกี่ยวข้องสองอย่างนี้ก็สัมพันธ์กันนะถ้ามีธรรมะนะมันก็ช่วยทำให้มีทรัพย์ และถ้ามีทรัพย์นะก็ช่วยสามารถจะไปใช้ในการส่งเสริมธรรมะได้ทรัพย์นี่มันมีความสําคัญต่อร่างกายเพราะว่าถ้ามีทรัพย์ก็หมายถึงมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องมือผมที่เราปัจจัยสี่รวทั้งมีความสะดวสบายทางกาย ส่วนธรรมะนี่มันสำคัญต่อตจิตใจที่จริงธรรมะก็สำคัญกับร่างกายนะถ้าหากว่าใช้ธรรมะคนที่มีธรรมะนี่ก็จะมีอายุยืนนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยคนเราจะยืนยืนได้ก็เพราะว่าหนึ่งนะ รู้จักทำความสบายให้กับตัวเองสองรู้จักประมาณในความสบายสบายนี่ดีนะแต่ว่าอย่าสบายมากสบายมากเดี๋ยวมันจะเจ็บป่วยง่ายคนสบายนี้สบายเกินไปไม่่อยออกกาลังกายเลยอ้ ว, วนเอาอ้วนเอาไขามันก็พอกคุณตามเส้นเลือดจนเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานอันที่สามพระเบอกว่าให้กินอาหารที่ย่อยง่ายอย่า ก, กินอาหารย่อยอยากเช่นพวกเนื้อนี่ย่อยอยากอันที่สี่พระบอกว่าต้องมีศีลนแล้วก็ห้ามมีนิตย์ดีคนเรามีศีลธรรมแล้วก็อายุยืนนี่อันที่สิงการที่คนเราจะรู้ประมาณในการในความสบาย คือรู้จักพอดีนะสบายแบบพอดีพอดีนี่ก็เป็นเรื่องธรรมะนะนะถ้าไม่มีธรรมะเตือนใจมันก็เอาแต่ความสบายหาแต่ความสบายขี้เกียจกนะ็ง่ายๆขี้เกียดนี่ก็อายุสันได้ง่ายนะเพราะว่าเด็กนี้ไม่มีโรคเรียกว่าโรคขี้เกียจทนะําให้คนตายเยอะเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานอันนี้เป็นโรคขี้เกียจเพราะว่ามันไม่ค่อยออกกาลังกาย เกิดกคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเอาแต่นั่งดูโทรทัศน์นั่งดูโทรทัศน์ไม่นั่งดูปากเป่าก็กินไปด้วยกินช็อกโกแลตกินไอติมกินอะไรต่ออะไรปากไม่ว่างเลยตาก็ดูโทรทัศน์ไปวลาสองสามชั่วโมงมันก็เลยเป็นโรคหวัวใจโรคเบาหวานโนมาเล็งโรคไต อันนี้มันเป็นโรกที่เกิดจากความสะดวกสบายมากไปกินเยอะไม่ออกไปรังกายเอาแต่นั่งๆนอนนอนันอน่นธรรมะมันก็มีประ่ยวส์สำคัญกับร่างกายเหมือนกันแต่ว่าเอาง่ายๆว่าซับนี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อร่างกายธรรมะเป็นเรื่องสาคัญต่อจิตใจสำคัญทั้งสองอย่างนะแต่ว่าก็ต้องรู้จัก รู้จักแยกแยะนว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรนะชาวพุทธเราเนี่ยก็ถือว่าธรรมะสาคัญกว่าทรัพย์ธรรมะสาคัญกับธนบัตรสองทอเหมือนกันนะธรรมะกับธนบัตรธนบัตรก็คือเงินหนึ่งทรัพย์สินชาวโลกก็อาจจะถือว่าทรัพย์สําคัญกว่าธรรมะแต่ว่าชาวพุทธเราถือว่า ธรรมะสำคัญกว่าทรัพย์สินในสายพยิการนี่เคยมีนะมีเศรษฐีนี่คนหนึ่งนะเาได้ข่าวว่ามีพระมาแสดงธรรมพระองค์นี้ก็คือพระโสนนะั่นเป็นพระอรหันต์มาแสดงธรรมกลับมาบ้านกลับมาบ้านเก่าก็มาแสดงธรรม เดี๋ยวที่นี่ก็สนใจธรรมะ ก, ก็เลยไปฟังธรรมฉะนั้นก็สนาคก็แสดงธรรมกลางคืนนะกลางวันคนทำงานกลางคืนก็ว่าง็แสดงธรรมเป็นก็คนก็ไปฟังกันเกินตรงนั้นเนี่ยมันมีโจรกลุ่มหนึ่งนะ พอรู้ว่าเสรษฐีนี้นะไปฟังธรรมะไม่อยู่บ้านมันก็เลยทำการเข้าปร้นทำ เ, เข้าปรนเลยนะขนของขนทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหละของโยมคนนี้หัวหน้านี่ก็บอกให้ลุมน้องขนขนให้เกลี้ยงเลยส่วนหัวหน้านี่ก็จะไปซุ่มดูอยู่ที่ ศาลาที่มีการแสดงธรรมคอยเฝ้าดูว่าเจ้าซักเจ้าซักประพฤติเศษที้นี้เนี่ยแล้วเกิดว่าเศษทิ้นี้นี่รู้ตัวหรือว่ากลับบ้านขณะที่ขนเข้าของทรัพย์สมบัติจะไม่เสร็จนี่ก็ต้อง ก็ต้องฆ่าเลยนะฆ่าปิดปากปล่อยเฝ้าดูเจ้าทรัพย์เอาไว้นะเจ้าทรัพย์มีเกระตกกระตาขึ้นมานะก็ต้องเก็บนะก็ระหว่างที่เสด็จที่นี้นี่ฟังทาอยู่ก็มีคนมาบอกเป็นเป็นคนใช้นะมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้บ้านเนี่ยกาลังถูกโจมตน ถ้าเราเนี่ยเป็นเศรษฐีนี่เราจะทํำยังไงนะมีคนมาบอกว่ามีคนกําลังควนเอาทรัพย์สินเงินทองไปเพชรนินจินดาถ้าเป็นสมัยนี้ก็ควนเอารถไปด้วยนะเอารถเอาตู้เย็นเอาโทรทัพท์ไปเศรษฐีนี่แทนที่จะตื่นตกใจรีบวิ่งกลับบ้านบอกว่าเดีย๋ยวมานรบกวนนะ ไปก็จะผลก็ผลไปตอนนี้ฉันขอฟังธรรมก่อนอย่ามารบกวนเวลาฟังธรรมของฉันแล้วพ่อคนชาก็บอกว่าเนี่ยมาเตือนา่ารีบกลับไปบ้านเร็วๆโจมันเอาของไปรับสมบัติก่อ น, นจะหมดแล้วคนชาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่ที่นี้บอกว่าอย่ามาอย่ามารบกวนฉันแต่ขนแล้วก็ขนไปนะขอให้ฉันฟังธรรมก่อน คือถ้ายางฟังธรรมไม่เสร็จก็ไม่กลับคนใช้เตือนถึงสามครั้งแต่ทีนี้ก็ก็ไม่สนใจก็ปรามคนใช้ว่าอย่ามายุ่งอย่ามารบกวนเสียวเวลาไม่มีสมาธิฟังธรรมเหตุการณ์นี้เนี่ยก็อยู่ในสายตาการรับรู้ของ ห, หน้าโจร ก็แปลกใจเลยนะเอ้ยคนนี้แปลกนะธรรมะมันดียังไงนะถึงเศรษฐีนีคนนี้ถึงไม่สนไม่ถึงเอาแต่ฟังธรรมนะไม่สนใจทรัพย์สิงเงินทองแล้วก็เริ่มรู้สึกศรัทธาว่าเอเอเทนีนีคนนี้เป็นคนดีนะเป็นคนดีเกิดศรัทธาขึ้นมาเกิดประทับใจ ตอหลังก็เปลี่ยนใจนะไปบอกลูกน้องว่าของที่ขนไปเนี่ยเอากลับคืนเจ้าของซะเอาไปไว้ที่เก่าแล้วก็ขอแสดงทำเสร็จก็มาเปิดเผยตัวกับเศรษฐินีว่าเนี่ยตัวเนี่ยคือโจนนะที่จริงอตั้งใจจะขโมยแต่พอเห็นเศรษฐินีพูดดันนี้ว่าใครใครก็จะขโมยก็ขโมยไปนะ ฉันจะฟังทำก็เลยมีความประทับใจ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็บนหน้าโจงแล้วลูกน้องก็ทีหลังก็บิดพลาดนะบวดพระแล้วในทสุดก็เป็นผ้าละหันโจงนี่ก็เป็นพระละหันได้นะนี่ว่าแต่โจงเลยฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรที่ฆ่าหลายศพนะี่ยคือโอมคลีมายก็ยังเป็นพระละหันได้ แต่คนเหล่านี้ถ้าไม่ทําไม่ถ้าให้บวชนะตายไปก็คงจะหลงไปแล้ว น, นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเนี่ยนะแต่ที่นี้นี่เป็นตัวอย่างชาวพุทธนะเป็นตัวอย่างชาวพุทธที่ดีก็คือว่าเห็นว่าทรัพย์สําคัญน้อยกว่าธรรมะธรรมะนี่สําคัญกว่าทรัพย์ถ้าจะให้เลือกระหว่างทรัพย์กับธรรมะ พอพ่าคู้เราจะเลือกธรรมะเรียกว่ายอมสละทรัพย์เพื่อธรรมะยอมสละทรัพย์เพื่อธรรมะคนส่วนใหญ่หรือว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยนะสละธรรมะเพื่อรักษาหรือเพื่อเอาทรัพย์เช่นมีคนมาบอกว่าถ้าโกงถ้าขับรถฉันนี่จะรวยนะ อยากรวยนะ่ต้องโกงนะต้องคอร์รัปชันนะต้องขโมยนะอย่างเงี้ยถ้าทานี่แสดงว่าถือว่าทรัพย์สำคัญจะทำนะนะอยากได้ทรัพย์ก็เลยต้องติดสีน้องไปขโมยขโมยนี่คือการที่ไม่ปฏิบัติธรรมหรือการติดสีนั่นเองไม่มีสีไม่มีธรรมเดยวนี้ทำาปันอย่างนี้นะ เอานะทิ้งธรรมะแต่ว่าเอาทรัพย์ยืมเงินใครไปแล้วนะถ้าเป็นคนซื้อสัสุจริตนะ่ต้องคืนนะไม่ว่าจะยืมเงินใครไปต้องคืนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่คืนนะเพราะว่าอยากได้อยากได้เงินก็เลยทิ้งธรรมไม่คืน การไม่คืนเนี่ยคือการที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีสัจจะยิ่งยืมเงินวัดไปนี่ไม่คืนนี่โอ้หนิ่งบาปมากอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ทัพย์แต่ไม่เห็นแก่ธรรมะนะที่เป็นเยอะนะหรือว่าต้นไม้ในต้นไม้ในวัดเนี่ยนต้นไม้ในวันนี้ ชาบ้านก็เช่วยกันปลูกเชื่อกันรักษาแต่บางคนก็ตัดไฟอยากได้อยากได้ต้นไม้อยากเอาหรือไม่ก็อยากดักสัตวนะ์น <S S 2> <ม>ื่ อ, อะไรไปขายได้เงิอนอันนี้เรียกว่าเอาทรัพย์นะแต่ว่าทิ้งธรรมะเพราะว่ามันการทำาบบนา้งมันเป็นการที่ไปเบียดเบียนนะเบียดเบียนส่วนรวม วัด น, น, น, ว น, ว น, นี่เป็นของส่วนรวมนป่านี่เป็นของส่วนรวมเดี๋ยวนี้คนเรานี่เป็นเยอะนะจิงธรรมะเพื่อทรัพย์นะแต่ก่อนพระเจ้าบอกเนี่ยสละทรัพย์เพื่อธรรมะเดี๋ยวนี้เราสละธรรมะเพื่อทรัพย์เป็นเัินมากพูดถึงการสละทรัพย์เพื่อธรรมะนะ ที่จริงเนี่ยชาวพุทธเรานี่แม้กระทั่งชีวิตก็สละให้ได้นะเพื่อธรรมะสละชีิตเพื่อธรรมะคือจะให้จะให้โกงยังไงก็ไม่ยอมโกงพร้อมตายหรือว่าบางครั้งก็รวมถึงว่าช่วยผู้อื่นนะแม้ต้องสละชีวิต การที่ช่วยผอื่นเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการเป็นการาทำเพื่อธรรมนะในสาพิธการก็มีนะมีพระองค์หนึ่งชื่อพระติศานะั่นก็ก็จะเป็นพระอรหันต์ด้วยวันหนึ่งก็ไปสนทนากับ ชั้งเพชรช่างพลอยคนหนึ่งชื่อมนอิ ก, การไม่รู้ว่าเขานิมนต์ไปหรือเปล่านะปกติก็ต้องนิมนต์ถึงจะไปหรือไม่ก็ต้องมีธุระไม่ใช่ไปนั่งเล่นก็คงไปสนทนาธรรมก็ระหว่างที่สนทนากันอยู่ก็มีมหาเล็กของประเจ้าปเสนที่กระสนมหา ก็บอกว่าพรจ้าปะเสริฐกฤษณ์เนี่ยมาสั่งให้ช่วยเจรนพลหน่อยนะมีพลอยอยู่เม็ดหนึ่งไม่รู้เป็นเมน็ดเดือนนะพลอยหรือเพชรไม่รู้นะให้ช่วยเจรนายเพราะมณีการนี่เป็นช่างช่า ง, งพครช่างพลอยที่เก่งก็เป็นเพชรเม็ดใหญ่เป็นพลอยเม็ดใหญ่นะแล้วตอนนั้นมณีการเนี่ย ม, มือเอนี่ยมือเปื้อนมือเปื้อน ก็ต้องไปต้องไปล้างไปล้างมือเพชก็วางไว้บนบนโต๊ะนะบนมีเขียงตอนนั้นเขาจะากําลังทําทําครัวอยู่นะอาจจะทําอาหารจะถวายพระก็ไม่ยังไงก็ไม่ก็ประมาณนั้นแหละมือนี่เปื้อนเลือด น, นะก็ไปล้างส่วนเพชรพลอยก็วางไว้บนเขียงก็บางเอล ตอนนั้นก็มีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งของมณุ ก, การมนี ก, การเลี้ยงนกกระเรียนเอาไว้นกกระเรีย น, ะะนกกยมันเห็นเป็ดพลอยอยู่ที่เขียงมันเห็นมันก็เลยเป็นอาหารมันก็เลยก็เลยกินเลยนะลืนเข้าไป ม, มนุษ ก, การกลับมาไม่เห็นเป็ดไม่เห็นพลอยตอนนั้นก็มีแต่ปลาติดสะอยู่ตรงนั้นรูปเดียวก็เลย สงสัยว่าพระติสานีเอาไปหรือเปล่าก็เลยถามว่าท่านเอาไปไหมท่านเอาไปหรือเปล่าพระติสาก็ปฏิเสธพระติสานี่ยนะท่านท่านไม่ต้องการบอกความจริงไม่ต้องการบอกว่าเกรียนเอาไปเกลียดมันตืนไปแล้วเพราะว่าถ้าบอกนี่เกรียนก็ต้องตายแน่ ความเมตตาของพระติสัยท่านมีมากไม่ต้องการให้นกกรรียนตายก็เลยไม่บอกว่ากรียนอาไปอันนี้ไม่ได้โกหกนะเพียงแต่ไม่บอกความจริงอันนี้ไม่ใช่โกหกอันนี้มนนัีการก็ถามว่านอ น, นอไปใช่ไหมพระติสัยปฏิเสธมั น, นีกการก็เลย ไม่พอใจต้องการที่จะคาดคั้นเอาความจริงก็เลยจับมัดเลยนะจับผ้านิมัดแล้วก็ฟาดนะเอาไม้ฟาดฟาดแล้วฟาดอีกตัวก็ต้นก็นกอักเลือดเลยนะเลือดนี่ไหลออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางปากขนาดนั้นนี่ท่านก็ยังไม่บอกความจริงเลยนะว่าเพชรมันอยู่ในท้องกรเรียนแล้ว ท่านก็เพลิได้แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปมัีการนี่พอก็ไม่พอใจก็ราฟาดเี๋ยวจะทำก็อักเลือดเลือดอัดเจียนอาดเจียนเป็นเลือดออกมาเลยเนาะบางเงินกรเรียนนี่มันเห็นเลือดนะมันก็เข้าไปกินเลือดนะมันอีการก็เลยโมโหนะกําลังจะคาดคั้นเอาความจริงบึงมายุ่งอะไรแตะกรเรียนอย่างแรง ตายเลยนะกระเรียนตับแตกตา ย, ยพอพอติสารู้แล้วว่ากรเรียนตายก็เลยบอกความจริงว่าพลอยนะนะมันอยู่ในท้องกรเรียนกรเรียนมันเอาไปมันกินไปที่แรกไม่เชื่อมันริจการไม่เชื่อแต่ว่าลองดูหน่อยผ่าท้องอเจอนาะเจอพลอยโมยขอโทษขอษขอภัยพขติดสากินการหญ่ เอหลังบกว่าเรื่องต่อมาก็ตอนหลังตายมันมีการตายก็ตกนรกลงนรกอเวจเีนี่นี่เรียกว่าพระเนี่ยพระติสาาัยท่านเรียกว่ายอมสละชีวิตก็ได้นะเพื่อธรรมะธรรมะในที่นี้คือว่าการความเมตตากรุณาการาที่ตั้งใจจะช่วยชีวิต กเรียะเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะแม้นนเนี่ยขนาดว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านก็ยังก็ยังพร้อมสละชีวิตให้ได้บางท่านนี่ก็สละจริงๆเลยนะในสมัยที่พระพุทธิสัตว์พระเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีจาริกในป่าริ่นเสียง เสียงร้องนะของสัตว์นะมันอยู่ในช่องอ่อนผาก็เลยลงไปดูก็เลยคลืนก็เลยไม่ได้ลงไปดูนะก็ก้มลงไปดูนะตรงช่งอ่อนผาก็เห็นแม่เสือหิวโหยพร้อมเลยมาเพิ่งออกลูกมาเป็นแม่เสือแม่ลูกนอนมันหิวแนละ้วมันทำท่าจะกินลูกนะ ลูนี่เพิ่งพิ่งคลอดออกมานั่นก็เลยดาบดนะก็เลยบอกให้ลูกสิธย์ไปหาอาหารมาลูกสิษย์ก็ไปหาหายเป็นนานไม่กลับมาสักทีส่วนแม่เสือนี่ก็เตลียนจะขยําลูกเสืออยู่แล้วนะั่นก็อยากจะช่วยชีวิตลูกเสือนะทํายังไง ไม่รู้จะทำไงนะก็เลยโดดลงไปให้แม่เสือกินไะเลยเพื่อช่วยชีวิตลูกเสื อ, อ น, นี่ก็เลยสละชีวิตเพื่อธรรมะไม่ได้แปลว่าต้องสละชีวิตเพื่อศ า, าสนาอย่างเดียวนะที่มันคงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญนะ่สละชีวิตเพื่อเพื่อศ า, าสนาอย่างเช่นบางคนก็จะมาเผาวัดอ บีพวกต่างศาสนาจะมาเผาวัดจะมาเผาคัมภีร์มันมีนะก็มีพรท่านก็พยายามป้องกันเอาไว้ก็ยอมตายนะเพื่อเพื่อรักษาคัมภีร์เพื่อรักษาวัดหรือว่าจะมีคนมาทําลายสถูปเจดีย์ก็ก็ไปขวางกันน้นไว้แม้เขาทาลายอันนี้ก็ ใครทำบางทีก็ถือว่าเป็นเวลาชนนะเป็นเวลาบุรุษแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาด น, นั้นหรอกนะแล้วกระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเมื่อจะต้องรักษาชีวิตเขาก็พร้อมที่จะสละชีวิตเดี๋ยวว่าแต่ทรัพย์เลยนะพร้อมจะสละชีวิตเพื่อธรรมมองสายตามองจับสายตาคนสมัยที่บอไม่คุ้มเลยในยมนะพระสุปฏิปันโนหรือว่าคนว่าฤาษี ที่มีคนเครพนกศึกษาถามมายอมตายเพื่อลูกเสือตัวนึงยอมตายเพื่อเดรัจฉานแต่ว่าพระโทธิสัต์นี่ท่านไม่สนใจนะเพราะึ้นชื่อว่าธรรมมาแล้วเนี่ยก็ต้องก็มีความสําคัญมากยอมสละชีวิตได้เพื่อเพื่อธรรมะแต่คนเดนี้อย่าบาดเจชีวิตเลยนะแม้แต่แม้แต่ทรัพย์ก็ไม่ยอมสละกับทางตรงข้ามก็คือว่า สละธรรมะเพื่อเพื่อทัพย์ทำอะไรก็แม้กระทั่งเวลาจะทําบุญเนี่ยที่จริงการทําบุญนะการให้ทานเนี่ยก็เป็นการสละทรัพย์เพื่อธรรมะาการสละทรัพย์เพื่อธรรมะเนี่ยก็เช่นเราถวายเงินนะเพื่อเพื่อส่งเสริมธรรมนะ ป่ออาหารเพื่อพาหนได้ีโอกาสปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ที่เราใส่บาทเนี่ยก็เป็นงานสระทรัพย์เพื่อธรรมะคือให้พราท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมธรรมเพราะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ก็ทําให้ธรรมะนี่มันจเจริญงอกงามอันนี้เป็นความตั้งใจนะเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธ แต่ก่อนที่เขาทําเพื่อธรรมะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราทําบุญเนี่ยเราใส่บาตเราถวายทานเนี่ยเราไม่ได้ถวายเพื่อธรรมะนะหลายคนเนี่ยทําเพื่อต่อยอดถวายสิบเพราอยากจะได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ล้านนี่เนี่ยทำสาระซับเพื่อธรรมะนะแต่สารัซับ เหมืกัเป็นการลงทุนแบบหนึ่งนะเหมือกัไปซื้อหุ้นนะัะนน่ะซื้อหุ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าซื้อหุ้นตัวไหนจะได้ราคาดีหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงก็ซื้อตัวนั้นแหละเดี๋ยวนี้ชาวพูดเราทําบุญในแบบนี้นะถ้าทําบุญตรงถ้าทําบุญกับสัตว์ได้บุญน้อยไม่ทําถ้าทําบุญกับพระทํำบุญคนธรรมดาได้บุญน้อยไม่ทำต้องทําบุญกับพระอรหันต์นะถึงจะได้บุญมาก ในเด่นี่มีการเลือกนะว่าจะทําบุญกับใครกับอะไรถึงจะได้บุญเยอะทําบุญกับผ้าข้างบ้านได้บุญนะ้อยต้องทําบุญแต่ผ้าอรหันได้บุญมากอันนั้นก็ไปไปอีสานกันไปหรือไม่ก็มาวัดป่าสุปตะตูข้างบ้านไม่ทำนะเพราว่าชพื่ได้บุญทาบุญเอาไปทำอะไรบุญก็จะได้มีรวยจะได้รวยรวยรวยรวยรวย เคยไปนะไปประเทศสีลังกาไปประเทศอินเดียไปเจอโยมกลุ่มหนึ่งนะเป็นร้อยเลยนะมีพระนำมาพระประมาณเจ็ดแปดลูกวมประมาณร้อยหนึ่งก็พอดีพักโรงแรมเดียวกันพอฉันเสร็จนะพอโยมถวายอาหารพระฉันเสร็จเราก็ให้พอแล้วบอกรวยรวยรวย พูดแคเนี่ยรวยๆวยวยโยมก็รวยรวยวยตามพอมาทําบุญนะมาจะเล็กบุญแต่ว่ามาจะเล็กบุญก็พอ่ออยาได้บุญได้เยอะเอาบุญไปทํำอะไรก็ดได้รวยรวยรวยอันนี้เราว่าสลัดรัพย์เพื่อทรับเาศซับเพื่อธรรมะการสลัดรัพย์หรือการทําบุญกลายเป็นการลงทุนแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เราทําบุญเพื่อการลงทุนนะลงทุน อย่างไรถึงจะได้เงินเยอะอัอ น, นี้มนไม่ใช่นะมันไม่ใช่วิสัยชาวชาวิสัยแต่คนนี้สระทรัพย์เพื่อธรรมะหรือว่าไม่เอาทรัพย์แต่เอาธรรมะแทนแต่ว่าคนสมัยนี้ธรรมะไม่สนใจขอจะเอาท ร, รัพย์แม้แต่พระก็เป็นแบบนี้นะเคยมีพระนะสมัยมีเรื่องเล่าหลวงปูง่ดู่นะโสมปัญโยนะเพื่อนอยู่กับสักการยุทธยานะโอ้มีคนนับถือมากสมัยก่อนก็เรียกว่า ถ้าเป็นคนคนิพาคกางก็นับถือพอๆกับคนอิสาลนับถือหลพวกคูณนะนะในทศสิบยี่สิบปีที่แล้วนะมีพระรุ่นมาบวชบวชเสร็จองจะบวชบวชช่วงคราวนะสิบห้าวันเดือนหนึ่งบวชเสร็จก็จะศึกก่อนศึกก็ขอม า, มาหาหลวงปู่ดูเพื่อกราบขอน้ำบนแล้วก็ขอพร หลวงพ่อก็พรหมน้ำมนต์ให้นะระหว่างที่พรมน้ำมนต์เนี่ยเพื่อนก็อธิษฐานในใจนะข อ, าาขอให้มั่งมีมหาศาลขอให้มีปอยรับผลคุณทวีขอให้มีกินมีใชไ้ไม่หมดไม่ไม่รู้จักคำว่าอดอยากจะได้แบ่งบุญมาให้บ้างจะได้แบ่งบุญจะได้มาแบ่งบุญมาให้วัดนะเพื่อนอธิษฐาน ใ, นในใจนะพอหลวงพ่อหลวงปู่ ด, ดูพรมน้ำมนต์เสร็จเพื่อนก็ พูดขึ้นมาว่าไอ้ที่คิดเนี่ยนะมันยังต่ําอยู่นะมันต้องต้องคิดสูงกว่านี้แล้วสิ่งที่คิดเอาไว้มันจะตามมาพาวนี้เพื่อนตกใจเลยนะเพราะว่าเพื่อนคิดในใจขนานั้นนะหลวงปู่ดูรู้ได้ยังไงแต่เพื่อรู้ก็แล้วกันนะแต่ที่ท่านบอกว่าเนี่ยว่าไอ้ที่คิดนี่ยังต่ําอยู่นะไอ้ที่คิดบอกว่าจะขอให้มั่งมีมหาศาลขอให้รับผลพูนทวีเนี่ย มีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดอยากหลวงพ่อหลงปู่ดูว่ามันต่าไปมันต้องเทีสูงกว่านี้นะเที่สูงอะไรก็ให้ อ, อธิษฐานให้มีธรรมะมากๆเนี่ยไม่ใช่อธิษฐานให้มีท ร, รัพย์เยอะๆแต่ธรรมะเจ ร, ริญงอกงามเช่นคอยมีสติขอยมีปัญญาขอยมีปัญญาพาจิตใ ห, ให้ให้มีปัญญาเข้าถึงสัจธรรม หราขอให้เข้าถึงนิพพานอันนี้เรียกว่านึกถึงธรรมะมากกว่าทรัพย์แต่ชาวพุทธเรานี่เดี๋ยวนี้นึกถึงทรัพย์มากกว่าธรรมะทำบุญอะไรทำบุญยังไงไงก็นึกถึงแต่ว่าขอให้ได้ทรัพย์ได้ท ร, รัพย์รวยรวยยชาวพุทธเราเนี่ยถ้าจะเป็นชาวพุทธแท้นะธรรมะก็สำคัญนะแต่ว่าธรรมะสำคัญกว่า ทรัพย์ก็สําคัญนะแต่ธรรมะสําคัญกว่าเวลาใส่บาตรก็ไม่ได้อธิษฐานก็ขวค่อยรวยอย่างที่เคยไลยฟ์ฟังเดี๋ยวนี้คนอธิษฐานนานมากเลยนะใส่บาตรทีหนึ่งอธิษฐานนานถ้าก็เยืนเนีว่าดึงว่เมือเ่อไรจะจะอธิษฐานเสร็จผ้าจะได้ให้พรคนะสมัยก่อนนี่พูดสันส้นๆนี่านัทปิโหตุไปเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน บางทีก็ที่ษฐานยาหน่อยนะแต่ก็เรื่องเดียวกันเลยข้าวของผู้ฆ่าขามุนดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวสอยแต่ประสงค์จิตใจ จ, จำนงมุ่งสรงต่อพระนิพพานคอยถึงเมืองแก้วคอยพระบุญมานคอยพบพระศีริอ่านนะก็มีแต่เรื่องนี้แหละนิพพานถ้าไม่นิพพานก็ขอยได้พบพระศีริอ่านเพราะว่าพระศีริอ่านคือพระพเจ้าจะได้พบแล้วควมเหวี่ยงก็จะได้นิพพาน แต่กว่าภาษีอานจะมานีก็น่นของมันสงร้อยปีนะถ้าให้นิพพานก่อนนั้ น, น, นก็ดนะีคนไทยเราปุยาตายายาเราสมัยก่อนก็เพื่อนก็ฉลาดนะเพื่อนเอาเอาธรรมะแล้วก็ทรัพย์นิพพานสำคัญกว่าความมั่งมีความร่ำรวยในเวลาทำอะไรนี่ถ้าต้องเลือกระหว่างทรัพย์กับธรรมะนย่าอเลือกธรรมะใครเอาเงินมาให้บอกว่าเนี่ยเออ เอาบอกว่าเนี่ยมาซื้อยาถ้าขายยาบ้าจะรวยนะเราก็ไม่เอานะพอเราเอาธรรมะใครเข้ามาแนะนําให้โกงโกงแล้วจะรวยเราก็ไม่ทํานะเพราะว่าเอาธรรมะเราไม่เอาทรัพย์หรือว่ายืมเงินใครถึงเวลาจะคืนไม่คืนเห็นแก่งเงินมากกว่าธรรมะ น, นี่ก็ไม่ใช่ เนทรัพย์สมบัติของใครอยากจะเอาอยากจะขโมยแต่ไม่ทํานะเพราะว่ายอมสละยอมสละทรัพย์เพืนะ่อธรรมะเอาเนี่ยให้ลองนะเวลาเครียดแท้ต้องเลือกนะระหว่างทรัพย์กับธรรมะให้เลือกธรรมะแต่ที่จริงนะถ้าทำถ้าปฏิบัติธรรมนะถ้าเอาธรรมะนะเดี๋ยวทรัพย์มันมาเอง อย่างที่ลวปูดูบ่เนี่ยถ้าท่านคิดสูงและไอ้ที่ว่าเนี่ยคิดนึกเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองถ้าเอาธรรมะและซับมาตามมาทีหลังอาจจะไม่ไม่อู้ฟู่ไม่ร่ำรวยแต่ว่าก็ไม่ขัดสนให้มั่นใจในธรรมะแล้วอย่างอื่นมาเองแลวแต่กระทั่งชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีเนี่ยก็เพราะธรรมะอย่างที่บอก ถ้ารู้จักประมาณในความสบายรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคนี้ไม่ใช่บริโภคอาหารอย่างเดียวนะบริบริโภคความสบายด้วยมีมิตร ด, ดีมีศีลเนี่เดี๋ยวก็จะยุดยืน